สำหรับผู้ป่วยที่ยังนอนไม่หลับสนิทก็จะให้พับตอนกลางวันเพราะเรื่ อ, องสุขภาพกายต้งดูแลแล้วก็เมื่อได้หับได้สนิทจึงจะให้ปฏิบัติถ้าหลับยังไม่สนิทก็ยังไม่ไมให้ปฏิบัติก็ใน <c oughs> ในช่วงของการ ดูแลรักษาร่างกายนี่ยทต้องใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันร่างกายก็รักษาด้านใจเราก็รักษาเพราะว่าในความสัมพันธ์กับรา่างกายกับใจนี่มือนเหมือนกระ น, น้ำนนมนมกับน้ำผสมกันถ้าผสมกันในสัดส่วนที่พอดีนมก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ร่างกายกัจิตใจมันก็นถ้าผสมสัดส่วนที่พอดีก็เก่งประโยชน์ต่อจิตของเรานะั่นั้นในช่วงวันสอวันเนี่ยอาจจะนอนหลับบางไปหลับบางสดับมันไปแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจให้ถูกก็จะนอนหลับได้ง่ายก็คือในช่วงที่เรานอนเนี่ยเราอย่าคิดว่าเรานอนหลับคิดว่ากําลังทำกรรมฐานหคือหายใจเข้า เลือ ก, ก, การตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็ในช่วงเรานอนเนี่ยเราถือว่าไปปฏิบัติกรรมฐานหมดอาณาปนานสติที่ตามดูลมหายใเข้าใอกจตามดูแบบสบายๆนะตามดูสบา ย, นะาบายเพราะเรื่องหลับไม่หลับเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายความพร้อมของร่างกายและจิตใจแต่หน้าที่ของเราไปบังคับให้มันหลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นอ น, นัตตาคือนะเบอร์ข้าบัญชาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของเราคือต้องตามดูที่เหตุทั้งมันก็คือเมื่อใดลมนี่หายเข้าไปในใจลมกับใจเปน็นอันเดียวกันเมื่อใดเราก็หลักได้นะเขาเรียกลมหายใจลมนี้มันหายเข้าไปในใจแต่ถ้าเมาื่อใดลมยังมาอยู่กับคนละส่วนกับใจอยู่เนี่ยมันก็ยังหนะลักไม่ได้เมื่อใดเราตามลมไปเรื่อยแถวสบายๆแต่ว่าถ้าเราไป ตั้งใจกำหนดลมหายใจมากเกินไปก็ไม่หลับมันเกิดการตื่นตัวเกินไปแต่ว่าดูลมให้สบายๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆหลับไม่หลับช่างมันนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะอเอาใจของเราตามลมไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้เร า, าไม่หลับก็ถือว่าได้หลับแล้วเพราะร่างกายของเราได้ได้พักเต็มที่นะ กายของเราได้พักเป็นทีอันนั้นเองในวิธีการพักผ่อนมีสองลักษณะพักผ่อนกายแล้วก็พักผ่อนจิตถ้าพักผ่อนกายก็คือการที่ดึงลมเข้าออกนี่ให้สงบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่นำเรื่องอื่นมาคิดนะในช่วงนั้นคระพักผ่อนกายแล้กพักผ่อนจิตก็คือเอาส ต, ติตามลมไปเรื่อยๆจนกระทั้งว่าลมมัน เบาสบายแล้วมันก็จะหลับเองแตแต่ใจลมมันยังหยาบอยู่ยมมันยังแข็งอยู่ลมมันยัง อ, อะไรกัอยู่นี่มันก็ยังเข้ากันไม่ได้ระหว่างธาตุลมเป็นธาตุที่ใกล้เคียงกับวิญญาณธาตุเขาเรียกอากาศธาตุนะทั้งหมดมันมี6กใช่ไหมธาตุหยาบก็ดินน้ำํำลมไฟถ้าละเอียดก็อากาศกับวิญญาณอากาศธาตุวิญญาณธาตุ เพราะนระหว่างความรู้อ่ารู้สึกกับลมเข้ออแผ่วเบาสบายๆเนะี่ยกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันที่เราจะทํางานที่ปรับลมอ่าเขาเรียก อ, อากาศาธาตุคือวิญญาณธาตุเนี่ยเข้าเ้วยกันอันนั้นคือเทคนิคทองการหลักแล้วก็จะหลับสบายหลับสนิทนะหลับสบายหลับสนิทถ้าหากพกเราทํานะเพราะนั้นแต่ละคนต้องฝึกเรื่องเงี้ยให้ได้เพราะว่า <c oughs> ถ้าเรายังบังคับลมหายใจของเรายังไม่ได้นี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องตื่นเรื่องนอนเรื่องหลักแต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถควบคุมลมหายใจเราได้เนี่ยเราจะตื่นเมื่อไหรจะนอนเมื่อไรจะหลับเมื่อไรได้ตามต้องการอันนี้คือเทคนิคของมันอันนี้ในส่วนของการดูแลร่างกายกับกีดใจด้วยอาศรมทีนี้ต่อมาอันที่สอง อันที่สองก็คือลมเป็นการเคลื่อนไห ว, ใ น, วนในส่วนที่ละเอียดในส่วนที่ละเอียดดังนั้นถ้าหากว่าตัวสติสมัยยะของเราไม่ได้ฝึกฝนมา่ก่อนนะการที่จะใช้ลมเป็นตัวกรรมาฐานหลักหรือตัวภาวนานหลักมันยากเพราะสติสมัยยะของเรายังไม่เข้มแข็งแต่ว่าใช้เป็นตัวปรับกายกับใจเข้าเป็นเดียวกันได้อยู่ โดยการมีสติตางดูเพราะเราไม่ได้มง่งวงว่าจะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานในช่วงที่เราดูลมหายใจแต่เรามง่งวงเพื่อให้กายแก้ใจได้พัก ร, ร่วมกันนะเพราะนั่นเองทีนพอเราจะเป็นอ า, อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราใช้กครืมวดที่สองที่สามก็คือการใช้การเคลื่อนไหวอริบทตและอริบุบย่อยร่วมกันอริบุตก็มี ยืนเดินนั่งนอนระหว่างยืนเดินนั่งนอนเราใช้กลางวันเนี่ยเราใช้บทไหนมากที่สุดระหว <c oughs> <c oughs> ่างนั่งกับเดินเนี่ยใช้ไหนมากกว่าเดินใช่ไหมเดินกับยืนนี้ร่วมกันใช่ไหเดินกินร่วกันนั่งกับนอนร่วมกันทีนี้ในช่วงถ้าพูดถึงเรื่องเดินนี่ก็หมายถึงยืนด้วย ก็จะมีการเคลื่อนไหวเพราะนันมีการเคลื่อนไหวสองระดับการเคลื่อนไหวระดับยากก็มีสียืนเดินนั่งนอนแต่ในยืนนั่งเดินเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวละเอียดซ้อนอยู่ใช่ไหมอย่างสมมติว่านั่งเนี่ยลองสํารวจดูในการเคลื่อนไหวในช่วงที่นั่งมันมีอะไรบ้างหนึ่งลมหายใจเข้าออกสองการพับตาเป็นหลมุมสาม นี่แล้งหนนการเคลื่อนไหวมือหรือการเคลื่อนไหวของลําตัวบางส่วนอันที่ที่สัมผัสได้นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอีโบดด้ที่นี้ลึกเข้าไปในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนอกจากการเคลื่อนไหวของที่เราสัมผัสได้พับตาปากหายใจเรลวใสอะไรขอกลุ่เงยหยิบหยับจับเวยหรือเคลื่อนไหวอะไร อ, อันนี้ ส่วนที่สัมผัสได้ส่วนที่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคืออะไรการเคลื่อนไหวของอะไรเลือดและลุมใช่ไหมการเคลื่อนไหวของเลื่อนและลุ่มในก่อให้เกิดปฏิยาขอาความรู้สึกสองชนิดคือหนักและเบานะแต่สมมติเรานั่งเนะ่ะตรงที่เราทับลงไปรู้สึกเป็นหนักใช่ไหมแต่พอเราขยับเป็นเบา ที่นี้การเคลื่อนไหวนี่เป็นธาตุดินหรือธาตุลมเป็นอาการของลมหรือเป็นอาการของดินเคลื่อ น, นไหวนี้ยแต่ของลมใช่ไหมเวลาลมพัดใบไม้แเราจะเราจะรู้ว่ามันมีลมตรงเพื่อมันมีการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เราเห็นเช่นใบไม้ไหวอย่างเงี้ยแล้วก็มีลมแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวหลักๆ ก, ก็คือ เรานั่งได้โดยที่ไม่ล้มไม่พลิกไม่โค่นไม่งานนี่เพราะท่าอะไรถ้าดินใช่ไหมเพราะมันหนักทรงตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันในการนั่งตั้งตรงเนี้มีการเคลื่อนไหวเป็นทา่าลมเพราะฉะนั้นท่าลมกับท่าดินทํางานร่วมกันเมื่อทํางานร่วมกันแล้วมันจะเกิดอาการสองอย่างคือหนักกับเบาหนักเป็นท่าอะไรท่าดินเบาเป็นท่าอะไรอ่าเห็นไหม เพราะฉนั้นเราจะไม่ไปเอาตัวนั่งหรือตัวยืนเดินนั่งเนี่ยเป็นตัวกรรมาฐานนะแต่เราจะอาการของยืนเดินนั่งเนะ่ยเป็นตัวกรรมาฐานเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าอาการของมันแกล้งอาการสองลักษณะคือหนักกระเบาใช่ไหมเราก็จะเอาตัวเนี้ยตัวรู้สึกหนักเบาเเป็น อารมณกรรมฐ า, านคือเป็นอาการอีกทีหนึง่งเป็นอาการของธาตุสีอีกทีนึงเป็นอาการของอีบุตสีอีกทีงอาการพระสีในน้ำรุงไฟอาการพรนิบุตรสีคื อ, อยืกเดินนั่งนอนใช่แต่มันจะแสดงลักษณะละเอียดลงไปสองอาการคือหนักกับเบ า, าทีนี้รู้ไหมว่าอาการหนักกับเบานะี้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะอะไรจรึงหนักเพราะอะไรจึงเบา เพราะอะไรจรึงรู้สึกหนักเพราะอะไรจรึงรู้สึกเบาเพราะอะไรเป็นเหตุอันนี้ขอมันเ้นว่านไม่ใช่ซับซ้อนเลยแต่รู้สึกนั่งเนี่ยหนักใช่ไหมคือเราเรายกขยับดิอาการหนักหายไปไหมอาการเบาเกิดขึ้นทันทีใช่ไหยเพราะอะไรมันจึงเกิดอาการหนักอาการเบาฮะ ในแง่ของกายภาพก่อนสิในแง่ของกายภาพคือมันมีการเคลื่อนไหวอีกระดับหนึ่งภายในนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของอะไรเลือดลมใช่ไหมที่เราแล้แลนั่งเนี่ยมือทำไมไม่หนักแต่ทำไมเปนหนักที่ก้นเพราะว่าการเวือนของเลือดลมโดยผ่านเส้นเลือดเส้นลมใช่ไหมคือระบบเซลทั้งหลายแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยน้ำหนักของเรา ความดวกของโลกไปกดทับอะไรเส้นให้เกิดการตีบตันเมื่อเกิดตีันตรงนั้นแต่ว่าการหมุนเวียนของหลุมสะดวกไหมเมื่อไม่สะดวกจะเกิดอาการหนักอ่าเกิดอาการหนักเมื่อเกิดอาการหนั ก, น ก, า ก, า ห, นกหนักเพราะการเคลื่อนไหวของเลือดและลมที่ท่าละเอียดลงไปนะฮะมันมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการปรับปั๊บเนี่ย เกิดเบาเพราะว่าได้ลมเดินไปนไงสะดวกใช่ไหมอาการหนักก็หายไปอาการเบาก็ปรากฏดังนั้นเราจึงไม่ไปแจงในแง่ของวัตถุที่เป็นธาตุแต่เราจะมาดูที่อาการหนักและเบาเอาตัวหนักและตัวเบานั้นเป็นตัวนิมิตกรมรมฐานเรียกว่ า, ารูปอาการหนักเบานี่เป็นรูปนะแต่การรับรู้ต่ออาการหนักและอาการเบาใครเป็นผู้รับรู้ ใครเป็นผู้รับรู้ใจหรือสติสติหรือใจ <c oughs> ใครเป็นผู้รู้ทีนี้ระหว่างการรับรู้หนักและเบาของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติแล้วต่างกันไหมสมัยโยมไม่เคยปฏิบัติอะไรมาเลยเนี่ยแต่โยมก็เวลาหนักก็รู้สึกพลิกเวลา เบาก็สบายทนได้สบายแต่เวลาหนักก็พิกไปเรื่อยๆถามว่าเป็นกรรมฐานไหมชาวบ้านทั่วไปเขาก็พิกหนักพี่กเบาอยู่ตลอเวลาใช่ไหมไอ้การพริกแบบคือการอะไรการปรับเอาความไม่สบายออกไปจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวคือการบําบัดอะไรบําบัดทุกตัวทุกขที่เกิดการหนักเบาหรือกวเวทนาการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธาตุสีเรียว่า รูปคูป ก, ก, กายใช่ไหมพอไปบำบัดอาการของลูกกายอาการของลูป ก, กายที่เป็นทุกข์เนี่ยด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อบำบัดอะไรความหนักออกไปเพื่อเกิดการสะดวกการเลื่อนลงโดยอาศัยอาการดูอาการหนักอาการเบาอาการหนักเป็นอาการของสุขหรือทุกข์อาการเบาเป็นอาการของสุขหรือทุกข์สุขสบายใช่ไหมสุขทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราเรามีหนักและมีเบา ทีนี้ถามว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยพวกเราทั่วไปก่อนที่ไม่ได้มารู้เรื่องปฏิบัติเราก็มีการเคลื่อนไหวมีการปรับทุกสุขทุกตลอดเวลาถามว่าเพราะเห็นอะไรมันจึงไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นการทอนางเพาเพราะเราเคลื่อนไหวโดยความเคยชินความเคยชินภาษาละพระเรียกว่าอาวิชามีความไม่รู้ในสิ่งที่กําลังตัวเองกระทํา แต่ทำอยู่มีการกระทำอยู่แต่เราไม่รู้ดังนั้นเราจะทำให้ตัวหนักตัวเบาให้เป็นกรรมฐานได้อย่างไรไก็มาสร้างตัวรู้ให้เกิดนะการมาสร้างตัวรู้ให้เกิดมีสองลักษณะหนึ่งลักษณะเอาตัวสมถะสองรู้แบบวิปัสนาเออ คำนี้เป็นคำใหม่สำหรับคนใหม่หนูเคยได้ยินไหมคำว่าสองคำนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยหนูเคยได้ยินไหมสมาธิวิปัสนาแต่เข้าใจก็ใหม่นะหมเธอต้องใช้มือเข้าใจขอรบยกมือแทนคําพูดถ้าใจะใส่หัวงี้เดี๋ยวยังต้องฝึกต้องฝึกวิธีอยู่กับพระหน่อยนะสองสามคนเราเนี้ยนะอยตอนกลางวันเราจะฝึกหถามว่า การเคลื่อนไหวของคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติกับการเคลื่อนไหวของนักปฏิบัติต่างกันใช่ไหมต่างกันคือคนไม่ได้ปฏิบัติก็คือเคลื่อนไหวด้วยความเคยชินแต่คนที่ปฏิบัติแล้วเคลื่อนหไหวด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทีนี้ถ้าไปรู้อาการที่เป็นธาตุหนักเนี่ยเช่นไปรู้เอาตัวหนักเป็นเป็นการเฝ้าดูแลเคลื่อนไหว สองเป็นการเฝ้าดูตัวเบาเป็นในการเคลื่อนไหวเพราะมีหนักข้างหนักทัก้งเบาใช่ไหมไอการที่ไปรู้ในส่วนที่หนักเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าสมาถะคีอเอาตัวทุกข์เป็นอารมณ์ทุกข์นี่เป็นรูปหรือเป็นเป็นนามตัวหนักนี่เป็นรูปหรือเป็นนา ม, นน อ, นนามอันนี้เรื่องภาษ า, ารสมฐานแล้วนะตัวหนักนี่เป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของจิต ทางกายทางจิตใช่ไหมแต่เอร์นเนต์มันน่าจะโน้มไปทางกายหรือจิตน่าเป็นเรื่องของกายมันหนักมันมีน้ําหนักไปมท่าดินใช่ไหมอาการเบาเนี่ยมันก็เป็นรูปเหมือนกันรูปเบาแต่มันมีอาการแนวโน้มไปทางหนามได้มากกว่าดังนั้นก็จะมีสองลักษณะที่เราเคลื่อนไหวหนึ่งหนักและเบาถ้าเราเอาตัวหนักเป็นที่ตั้งของการรู้เรียกว่าสมถะ แต่เาเอาตัวรู้สึกเบาเป็นที่ตั้งของการรู้เรียกว่าเชิงใกล้เป็นเหตุใกล้นี่ไงจะนะเป็นเหตุใกล้แต่ใช้คำว่าเป็นวิปัสนาเลยสมถะถ้าเราเอาตัวหนักตัวทุกตัวไม่สบายเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมถะคือเป็นที่ตั้งของจิตแต่ถ้าหากว่าเราเอาตัวเบาสบายเป็นที่ตั้งของการรู้เป็นวิปัสนาเป็นที N ่ตั้งของ ตัวรู้ทีนึ่ตัวรู้ก็จะตั้งในส่วนที่เบาได้ง่ายกว่าตัวที่หนักแต่ว่าส่วนที่หนักกําหนดง่ายกว่าในส่วนที่เบาเพราะฉะนั้นวิปัสนาจึงยากกว่าสมถะเพราะว่าส่วนใหญ่เราพอเบาแล้วเราไม่ได้รู้ใช่ไหมพ้นสบายเราก็ไปติดความสบายนั้นเสียแทนที่เราจะเอาตัวรู้สึกเบามาเป็นอ่าเป็นตัวรู้แนี้เขาจะตามทันไหมทันนะทางไม่ทันให้บอก ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เห็นขบวนการว่าเพราะเหตุไรเราถึงปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้การเคลื่อนไหวทั้งส่วนกายและส่วนเวทนาภายในหนักเบานี้ให้เป็นที่ตั้งของตัวรู้อพรนัคนทั่วไปเขาไม่ได้มารับรู้เรื่องเหล่านี้มันคือไม่เป็นกรรมฐานเมื่อไม่เป็นกรรมฐานสามารถดูแลจิตตัวเองได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่สามารถจะหาที่ตั้งให้จิตได้ทีนี้เราอาศัยให้จิตมาตั้งตรงตรงนี้ก่อนตั้งง่ายๆคือตั้งในลมก่อนอันที่สองมาตั้งในยีบที่แบบอยากเดินเดินนั่งนอนอันที่สามมาตั้งในอาการหนักเบาอ่าสามจุดนี้นะระหว่างตั้งในอาการลมก็ดีตั้งในอาการของ ถ้าสีดิน้ำรูมไฟบรการของการเคลื่อนไหวเพื่อบําบัดทุกนี้ก็ดีแล้วมาตั้งหลาการหนักเบาก็ดีนีให้เราดูในส่วนที่หลักๆของมันก็คือรับรู้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปแจงในรายละเอียดแต่ที่หลวงพ่อต้องแจงรายละเอียดเพื่อเห็นที่ไปที่มาเท่านั้นเองแต่หลักๆแล้วก็คือเรารวมทั้งหมดเราเรียกว่าความสบายและความไม่สบายใช่ไหมายังจะมีคนรู้สึกสองอย่างคือรู้สึกสบายและไม่สบาย เราก็ใช้ตัวสบายมันสบายเป็นที่ตั้งของการตัวรู้แต่ถ้าเอารู้สึกหนักเบาเป็นที่ตั้งของตัวรู้เรียกว่าสมถภาวนาแต่รู้สึกสบายไม่สบายเป็นที่ตั้งของตัวรู้เรียกว่ามิปั ส, สนาภาวนาแต่ให้ดูสงคำนี้ก่อนนะให้คุ้นหูไว้ก่อนก็นแล้วกันสนจะทําได้ไม่ได้ก็ดูว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราเข้าใจได้แลรวก็จะทำได้ไง่ายขึ้นแต่ถ้ายังเข้าใจไม่ได้ก็ต้องย้ำฝังย้ำคิดย้ำศึกษาเรื่องนี้หลายครั้งเขา้าเดี๋ยวจะเข้าใจนะอันนี้เป็นธรรมดาเอาละตอนนี้สมมติว่าเรารู้อาการหนักทำให้เกิดสบายหรือไม่สบายเกิดความไม่สบายอาการเบาก็ให้เกิดความรู้สึกสบายหรือไม่สบายสบายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบ ที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวไปหาหนักหรือเคลื่อนไหวไปหาเบาคือเคลื่อนไหวไปหาสบายใช่ไหมอ่ะเพราะเขาเคลื่อนไหวไปหาสบายเขากเรือไปติดสบายลักษณะสบายนี้เรียกว่าสุข เ, ขเวทนาแต่ว่าใครไมมที่ว่าเคลื่อนไหวไปเพื่อที่จะไปทุกเนี่ยยากแต่เราก็ต้องทุกเพราะอะไรเพราะเราต้องทํางานทันว่าก็ทํางานก็จะต้องมีหนักมีเบาใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็ กลัวงานหนะักแต่ชอบงานเบาเพราะนั้นขบวนการของการเรียนรู้การศึกษาเพื่อที่หางานเบาแต่วันไดหลายได้มากกว่าก็เกิดขึ้นแต่เนื่องเมื่อคนไหนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็การศึกษาน้อยก็ทํางานหนะักก็ต้องไปอยู่ความหนักก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ในสําหรับผู้ใหม่เนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้ ดูเบื้องต้นให้ดูเรื่องหนักเรื่องเบาไว้ก่อนคือให้ศึกษาเรื่องสมรถะก่อนมันจะง่ายกว่าใช่ไหมแต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องรูปนามได้บ้างแล้วก็ให้ไปดูที่รู้สึกสบายหรือไม่สบายเป็นหลักอย่างคุณประภาพิษคุณมนเนี่ยพอไปดูในเรื่องความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นที่ตั้งของตัวรู้ได้แล้พอได้ผ่านกันศึกษาเรื่องนี้พอมาข้อหนึ่งแล้วเนะี่ย แต่สำหรับผู้ยังไม่เคยเข้าค้านะให้ไปดูหนึ่งหนักเรื่องเบาของร่งกายเป็นหลักก่อนเรื่องศึกษาสมถะก่อนนะง่ายนะโอเคเพราะฉะนั้นเราเวลามันหนักเราจัดการอย่างไรเวลามันเบาเราจัดการยังไงอันนี้พูดถึงเรื่องคนใหม่ก่อนเวลาหนักถ้าสมมุติว่าเราหนักนั่งไปประมาณห้านาทีมันหนักห้านาทีคือหนักขนาดนี้ถ้า ไปอีกสิบไปอีกห้านาทีเป็นสิบนาทีเนี่ยความหนักที่เราสัมผัสอยู่มันจะอยู่ในระดับเดิมไหมถ้านั่งห้านาทีมันหนักกายขนาดนี้นะเรานิ่งได้แต่พอไปสิบนาทีเรานิ่งได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้เราจะเกิดการอะไรเกิดการปรับเคลื่อนไหวเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็าเอาตัวสติที่เราฝึกที่เรายกมือนี่แหละมารู้ต่อการเคลื่อนไหวก่อน แล้วเป็นดูการหายไปตัวหนักแล้วก็ปรากฏขึ้นกับตัวเบาแค่นี้ทาแค่นี้ก่อนวันนี้นะหนุ่มจำได้นะว่าถ้าเราอยู่ในอาการใดอาการหนึ่งนานเกินไปอาการนั้นก็จะเป็นไงหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องมีการอะไรบาบัด บำบัดด้ววิธีไหนด้วยการเคลื่อนไหวอ่าด้การเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนไหวแล้วมันจะมีอาการปรากฏสองลักษณะหนึ่งการหายไปของอาการหนักสองการปรากฏขึ้นของอาการเบาแค่นี้ไหวไหมสำหรับบทเรียนวันนี้นะไอ้หนูไหวนะว่าเมื่อเราสมมติเรานั่งเนี่ย แล้วก็มีขยับตัวเรื่อยๆใช่ไหมมีการขยับตัวเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกเวลาทุกคืออาการของในส่ที่มันหนักแต่เราขยับไปหามันเบาก็รู้หนักรูก้เบารู้สบายไม่สบายกลายไปเรื่อยๆอาการที่จิตมาตั้งดูหนั ก, กดูเบาดูเคลื่อนดุไ น, นี่เองตัวสติมันก็จะเกิดเพราะสติหมายถึงการที่กายกับใจมาสัมพันธ์กัน หลวงพ่ออยากจะบอกว่าที่มาของตัวรู้มันมาได้อย่างไรเองก็คือมาอย่างนี้สาเหตุมันก็คือทุกเป็นเป็นตัวตั้งที่เราต้องเคลื่อนไหวตลอดเพราะเราทุกใช่ไหมเราก็เอาตัวทุกนั่นแหละมาเป็นติดตัวตั้งของตัวรู้พอเราเริ่มรู้จุดนี้เรียกว่าเราเริ่มเป็นนักปฏิบัติแล้วไอ้ตัวความเคยชินมันก็ค่อยหายไปไนิดนิ ด, น ด, นดแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ร้อยปอเซ็นตอนแรกเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ย สามารถรับรู้ได้สัก5้าเปสเยี่เนไปเรื่อยๆก่อนแต่เมื่อไหร่เราสามารถรู้อาการเคลื่อนไหวของเราได้25บเปเซขึ้นนะถือว่าอ่มีมีแชนแล้วมีโอกาสที่จะรู้อะไรไปมากกว่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวรู้สมมุติเรามีการขยับถึงร้อยครั้งในี่ยนะแต่รับรู้เพียงห้าครั้งหรือสิบครั้งเนี่ ย, นะรร ย, ยก็ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะไปเป็นภาวนาได้ไหวไหม ขยับสักร้อยครั้งตามรู้มันจะทานสักยี่สิบหครั้งขึ้นไปเนี่ยไปนะอันนี้ต้องใช่อะไรความตั้งใจนิดหนึ่งตรงนี้เองเขาเรียกสมาธิคือสมาธิแปลว่าความตั้งใจที่จะรู้อันนี้สมาธิในวิปัสสนานะจะไม่เช่สมาธิในสมรรคนลระลึ่งกันสมาธิในวิ ป, ปัสสนาแปลว่าความตั้งใจมันมีอยู่เดฟิเนชันอยู่สามสามคำของความหนึ่ง สมาฮิโต้คือใจมาตั้งอยู่กับกายสองปาิสุโทโธเป็นความรู้สึกตัวล้วนๆเป็นความตั้งใจล้วนๆไม่มีอะไรเป็น b a c k ก r o u n ไม่มีอะไรเป็นเบื้องหลังสกรรมนิยูสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในทุกเรียบทไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งอย่างเดียวเพอคุณรู้ไปเนี่ยหนักหายไปเบาเกิดขึ้นพอคุณก้าวไปหนักปรากฏเบาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาก้าวเหยียด หนักปรากฏใช่ไหมเวลากเก้าเดินเบาปรากฏพอไปก้าใหม่หนักปรากฏเก้าเดินเบาปรากฏปราก ฏ, ากฏตลเวลาแต่เราอย่าตามรู้เพราะเห็นอะไรหลวงพ่อบอกว่าคุณจะต้องตามรู้สักร้อยปมันจะได้ไวๆเพราะอะไรสมมติเาเดินร้อยเก้าเนี่ยให้คุณตามรู้อย่างน้อยให้ได้ย5่ห้าเก้าขึ้นไป แต่หลวงว่อบอกยี่้าเก้ามันน้อยไปคุณตามรู้ถึงร้อยเก้าเลยทําได้ไหมอาจจะแต่ถ้าคุณตั้งใจรู้จะยิงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันปกติไหมไม่ปกติใช่ไหมมันจะใช้ความตั้งใจสูงเป็นพิเศษที่จำรู้ถึงร้อยเก้านั่นหมายความว่ามันไม่เป็นธรรมชาติของเราล่ะแต่ให้รู้ตามธรรมชาติ แต่ถ้าเราจะรู้ร้อยเก้าก็ได้แต่มันผิดธรรมชาติถ้ารู้ร้อยเก้านี้ไปสักสิบนาทีคุณเดินสิบนาทีคุณรู้ทุกเก้าลอะไรเกิดขึ้นมึนเครียดหนักใช่ไหมอันนี้มันว่าให้รับรู้ตามกำลังของเราแต่ยี่สิบห้านี่คงไม่มึนเท่าไหร่นาะงพอพอไหวนะนุ้ไหวไหมเดินร้อยเก้าคือพยายามรู้ให้ได้สัก2 5่สิบห้าเก้า็พ อ, อมันก็จะเกิดการผ่อนคลาย แต่ควจริงแล้วเนี่ยใครสามารถให้รู้ถึงห้าสิบห้าสิบหนึ่งที่จะเก่งนะหมายความว่าไม่รู้แค่ครึ่งหนึ่งแต่เมื่อไหร่เกินถึงเกินถึงเกินห้าสิบห้าสิบก้าวเนี่ยรู้ได้ถึงห้าสิบไม่รู้แค่ห้าสิบโอเคแล้วเกิดแกนบาลานนะเกิดบาลานสำหรับผู้ใหม่ห น, นะเป็นสมถะดังนั้นเองเรื่องอย่างนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เนื่องจากเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา ถ้าหากเรารู้ทั้งสองสารนี่นะเรื่องกายด้วยหรือเรื่องจิตด้วยเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เลยตลอดชีวิตเพราะเรารู้วิธีการบำบัดใช่ไหมแต่ที่เราทุกข์บ้างสุขบ้างมากบ้างน้อยบ้างเพราะเรายัางไม่รู้สองงานนี้ชัดเจนทั้งนั้นหลวพ่อมีประสบการณ์เรื่องนี้มาสิบปีสาสิบปีหลวพ่อวิหาวิธีตลอดว่าจะทําำไงให้มันเกิดการบาลานทั้งสองส่วนเพราะพระพุทธเจ้าค้นพบการตรัสรู้เพราะท่านค้นพบอะไร หลักมัดอะไรมัดชีมัดชีมาปฏิบัติที่เราไม่ใช่คำว่าบาลานซ์ใช่ไหมบาลานซ์ Balance ระหว่างกายกับใจที่แล้วมาเนี่ยมันเป็นหนักไปเรื่องของกายบางเป็นหนักไปเรื่องของจิตพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุดดงใช่ไหมเอ็กซิเดมิตทางซ้ายเอ็กซิเดมิตทางขวาสุดดงที่ท่านบอกว่ า, าผู้ปฏิบัติพึงเว้นสองอย่างอนะเว้นหนึ่ง หนักทางขวาสองหนักทางซ้ายที่เราเลือกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ท่านบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยมันต้องการคือสบายก็สบายเกินถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์เกินแต่บท่านบอกว่าให้มาอยู่ตรงกลางมีพอดีสุขบ้างทุกบ้างนะสุขแต่ถ้าวันใดเราหาจุดบาลานพอดีระหว่างสุขกับทุกมาเจอกันเนี่ยเมื่อคืนเราพูดถึงเรื่องอะไร n e g a t i v i positive เ right? ข mm ้าไหม n e g a t i v i เป็นทุกเป็น n e g a t i v e หรือ positive n e g a t i v i แล้วก็สุขเป็น negativity positive positive หนักเป็น n e g a t i v e เบาเป็น positive ระหว่างหนักกับเบามาจุดพอดีเนี่ยเหมือนขั้วไฟเนี่ยมันมีจุดอยู่สอย่าง n e g a t i v i positive มาเจอกันพอดีมันก่อให้เกิดอะไรที่เราพูดในมืน้อคืนแสงสว่างและพลังเข้าไหม แต่ถ้ามันมาเจอกันในจุดที่ไม่พอดีมันเกิดการสปาร์และชอดผลเลยทุกเนะเพราะพระพุทธเจ้าเจอจุดที่พบเกิดซาตุิเกิดเอลไลเทมันเกิดแสงสว่างเลยเราก็ต้องการมาหาจุดนี้เองระหว่างความพรีระหว่างกายกับจิตแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมไม่มี ตลอดเวลาที่เราเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเนี่ยเรามาถึงวันนี้เราจะเวียนว้ายแเกิดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติไม่รู้เพราะขาดความพอดีเพราะฉะนั้นการเข้ามาสู่การศึกษาเรื่องนี้เราต้องการสริาหาความพอดีของกายและจิตเท่านั้นเองเมื่อไหร่เราหาเจอเราก็ซาตุลิเราเอไลทิเมนมันแล้วก็สว่างท่านเรียกว่าบรรลุธรรมก็คือบรรลุความพอดีนั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรถามว่าทั้งสองอย่างเราหาความพอดีมันได้ไหมได้ ร่างกายพอดีก็รู้สึกสบายไม่มีปัญหาสุขภาพจิตใจพอดีก็รู้สึกสบายไม่มีปัญหาเรื่องจิตใจเราก็ทําความพอดีระหว่างกายใจให้เป็นอัตโนมัติเรียกว่าปรามัตดคือส ม, มุติปรมัดขึ้นมาเลยใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้สนุกนะถ้าเราเรียนจะเป็นแบบวิทยาศาสตร์น ะ, ะเราก็อาศัยว่าเออมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรร ม, ามรักษยาไง แล้วเราไปโชคดีทั่วทั้วเราได้อาศัยความบาลานซ์ของร่างกายด้วย อ, อาศัยสูตรของหมอสักดาหมอสักด า, กด า, กดานี่ยผมเขาว่าแกบรรลุธรรมระดับหนึ่งนะแกสามารถเห็นรายละเอียดของร่างกายซึ่งต่ำกว่หมอธรรมดาที่เขาเรียนมาเนี่ยพราะเคียนมาเรียนเขาก็จบหลายอย่างในคนเนี้ยดังนั้นอื่นเขาอาศัยความรู้กแก่เข้ามาไปอยู่ใช้ก็หลวงพ่อเขตั้งแต่ไปไป ฝึกมาที่ลัาพูนพ่อก็มาศึกษาดูนะว่ามันมีความเป็นจริงแค่ไหนเรือเป็นอุปทานของเราหรือเปล่าก็มาทดสอบดูหลายๆครั้งเออมันไม่ใช่อุปทานมันมีเหตุมีผลพอเวลาเราขึ้นไหวแบบอย่างที่ช่วงท่าที่ว่ามาเนี่ยคือในร่างกายของเรามันมีออกซิเจนอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ว่ามันมันไม่คนได้กับออกซิเจนข้างนอกเพราะมันไม่มีการปรับท่าให้เหมาะสมใช่ไ แต่พอเรามาประบไพเหมาะสมนะเนี่ยอาชิเย็นภายในกับภายนอกมันคนนี้กันเพราะคนนี้กันมันก็เลยตัวนี้มันกะชาร์เข้าเลยชาร์เข้ามันก็เลยไปบําบัดอาการหนักและเบาให้เกิดอาการในร่างกายหนักและเบาเกิดการสมดุลหลวงพ่อลองดูในะเวลาเดินไปรู้สึกมัน เ, เริ่มเบื่อเบื่อเบือเลยเนี่ยเราจับท่าใดหนึ่งมาขึ้นมาทําที่ระยะยีเบยท่านเนะี่ยจับอะไรหนึ่งขึ้นมาทําที่เราถนัดคือ ม, มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเลย ทั้ระบบหลงหายใจทั้งอาการหนักภายในต้องลองดูอสมมติว่าวันนี้ลองไปไปทำดูไปเดินเชิงโคมสร้างจังหวะดูถ้าก็รู้สึกมันไม่สนุกหรือมันเบื่อมันเบือหรือมันปวดมันเมื่อยก็จับอาการอะไรถึงขึ้นมาทำในยี่เบท่านี้นะแล้วแต่ทางท่าไหายก็เอาทานนั้นมาทาําดูหรือแล้วง่วงอย่างเงี้ยต้องจับอาการอย่างใดถึงขึ้นมาทำดูแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอันนี้พิสูจน์หลายครั้งนะเออใช่ได้ จำได้หมดไห ม, หมเอาแค่สักแปดท่าก็พอแล้วนะที่ทำตอนเช้าได้แปดท่านี่จำได้นะให้คุณมนเพิ่งเริ่มตอนเช้านี่น้อยยังจำไม่ได้เลยหนุ่มเริ่มมาหลายวันแล้วยังเอ้าเห็นหน้ากขอสอนอยู่ทุกวันใช่เลยหรือเพิ่งไปสอนที่นีมเพือนอ๋อก็ก็เราก็จะตกย้ำโ ช, ว, ชว์เช้าเย็นนะ แต่จนกลางวันพอจําท่าไหนได้เวลามีปัญหาก็เอาท่านั้นมาไปแก้จําได้อยู่เมือสสีหท่าใช่ไ้มท่าที่รู้สึกว่าแก้ไขได้ง่ายหลพ่อทำดูว่าเขท่าที่สามเฮอท่าที่สองเลยท่าที่สองท่าที่สามมันยกมือขึ้นอนี้ใช่ไหมท่าที่สี่ก็คือคลื่นน่ะใช่ไหมท่าคลื่นก็ได้ท่าที่ห้าก็พุ่งมือไปเอาท่าใดท่าหนึ่งก็ได้กี่ท่าที่หก อนี้ก็ได้อ่าแต่เอาใช้ท่าที่ที่สองที่สามเนี่ยทีสเวอร์แกได้เร็วแต่ว่าที่สองนี้ต้องทําให้ถูกนะทําไม่ถูกเพราะถ้าหากท่าที่สองเนี่ยมือหนึ่งถ้าหากมันถูกเหมืนก็ตีแบทใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงมือขวาถ้ามันถูกมันจะเหมือนไก่โยนลูกบอลโยนลูกบอลแล้วตีแบทไปในเดียวกัน ต้องไปไปทำท่าที่สองให้ถูกจะแก้ไขได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราจําท่าแล้วต่อไปเวลากลับไปบ้านก็ไปตามดูรายละเอียดจากหมอศักดาเพราะเราจะมีไฟล์ในคอมพิวเตอร์ให้แล้วเธก็ไปเปิดป ด, ดูในคอมพิวเตอร์ดูรายละเอียดที่กขาที่บายแต่ที น, นี้เรามีเวลาเราน้อยเราไปลงรายละเอียดไม่ได้เราทําพอที่จะมาแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เราปฏิบัติก่อนแต่ถ้าเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อก็ต้องการให้ศึกษาเรื่องทางจิตก่อน ได้ศึกษาเรื่องของสติให้ได้ก่อนเพราะถ้ามันมีสติที่เห็นอาการของจิตเห็นอาการของกายเนี่ยเรื่องเรื่องทุ่งท่านี้ง่ายมากเลยมันจะรู้จักใช้แต่ถ้าเราไปเน้นเรื่องท่องท่าให้เป็นซะก่อนนะเราไม่รู้เรื่องของจิตนะมันก็ไปตกไปท่ัดความสบายไม่สบายอยู่ดีใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็าต้องการสบายพอสบายแล้วอันไหนที่ไม่สบายเราก็ไม่อยากทําแต่ในแง่ของการสติที่มาสื่อสานั่องจิตเนี่ยเราต้องการ ความสบายนะั้นไม่สบายเนะี่ยเป็นเครื่องมือให้เกิดตัวรู้ใช่แต่ถ้าเราไม่มีเรื่องการเข้าใจเรื่องวิปัสนาสักอนเราก็ไปติดความสบายหนีความไม่สบายแต่พอมารู้เรื่องของจิตของวิปัสนาก่อนเรากับใช้ความสบายไม่สบายมาเป็นเครื่องมือให้เกิดตัวรู้หรือปัญญาเนั่ยหลวพอถึงเน้นเรื่อง ก, การปฏิบัติก่อนแต่เรื่องการท่งท่านในฝึกเช้าเชิงเงย็นก็พ แ้วตรงการวันถ้าว่าปฏิบัติไปแล้วมันเนกิดอุปสรรคปัญหาหรืออารมณ์ไม่ดีเนี่ยแล้วก็นํามาใช้เอาถ้าไหนก็ได้ที่เราจําได้มาใช้เพอแก้ปัญหาเท่านั้นตกก็เราภาวนาต่ออ่เพราะฉะนั้นบทเรียนช่วงเช้าวันนี้นะบทเรียนช่วงเช้าวันนี้สําหรับผู้ใหม่สามคนนะนะให้ไปดูอาการอะไรหนักเบาและการเคลื่อนไหวร่วมกัน เอาไม่ใช่สามที่ห้าดีใช่ไหมคุณยกด้วยอคุณพ่อด้วยเชื่ออะไรคุณพอ่อทันนาเลือดไงทันนาเลือดไ<า> ช, ชื่อเล่นว่าไงชื่อเล่นว่ า, าบิกบ๊กไงตอนนี้เรือดไม่บิ๊กเลยแนะ้่สมอแล้วนะเอานะห้าคนของเรานี่นะไปเรื่องไปดูหนักดูเบาร่วมกันขึ้นไหวนะ แล้วคุณมนกับคุณพิทไปดูเรื่องของความรู้สึกสบายไม่สบายภายในเวาอาการหนักอาการเบาร่วมกันดูอาการหนักก็ให้เกิดความไม่สบายอย่างไรอาการเบาก็ให้เกิดความสบายอย่างไรแล้วเวลาเราก่อนที่จะไปสู่เปลี่ยนหนักเป็นเบาเนี่ยเปลี่ยนอย่างไรก่อนที่จะเปลี่ยนเบาแกามาเป็นหนักมันเปลี่ยนอย่างไรให้ไปดูรายละเอียด ต, ตรงนี้สองทัานี่นะแล้วคุณพิดกับ แล้วตอนเย็นพ่อต้องมาสอบว่าคุณไปดูจริงหรือเปล่าวันนี้เพราะนั้น <c oughs> ตอนเย็นก็คือหลังจากทำวัดแล้วก็ต้องมาสอบเรื่องนี้กันว่าคุณไปดูห น, หนักหนุเบาได้แค่ไหนวันนี้ถ้าหนักเบาแล้วเป็นไงบ้างคุณไมอย่าไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดเพราะคุณคิดคุณไปดูไม่ไหวหรอกมันใหม่อยู่คุนไปดูแล้วคุณก็ไปในความคิดไปเลยแหละให้ไปดูตรงนี้ให้ถี่ขึ้นแต่ความคิดมันก็จะค่อยลดลงมันเองแล้วดูหนักดูเบาร่วมกับการเคลื่อนไหวมันก็จะทําให้ตัวรู้เราพัฒนาได้ไว ยี่งตัวรู้ไวเดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวของเราจะไหวแต่ว่าจะคิดมีงานติดมาในสมองหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้างานติดในหัวมามันมันก็จะลืมไปคิดไปหางานอปเรื่อยอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังโอเควันนี้คือบทเรียนสองชุดนะชุดทาคนให้ไปดูอาการหนักและเบาร่วมกับการเคลื่อนไหวจะเรียนยผมสร้างจังหวะกให้ดูสองสองงานนี้เป็นหลัก แต่สําหรับคุณบิ๊กเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเพราะนั้นวันนี้คุณจะไปหยิบไปหลับตรงไหนก็ไม่มีปัญหานะต้องให้ร่างกายสบายก่อนโดยเฉพาะทานข้าวมันม ง, ง่ายก็หลับไม่สบายแต่ว่าคืนต่อไปนอนไม่หลับอีกคงต้องย้ายที่ล้วต้องเปลี่ยนที่อาจจะเปลี่ยนให้ไอ้เ จ, จ้นุ่มไปนอนแทนก็ได้โยมบิ๊กก็อาจจะมานอนที่อสล า, า น, นี้ก็ได้ด่วนนะจบลงเดี๋ยวเราจะออกไปดินตรงขุ่มซังจัหวัสหนสาหะกันเนาะ ก้าวลงมา